ก็ยังเป็นต้องแสดงทรรมอะไรเห็น อ, อ, ยอย่างสมสินแกโนดนก็กลับมาแล้วฝังกลีบสองข้อใหญ่สองข้อมเพื่อนๆไม่ทำทำไมแล้วทุกวันที่อ่ะ การสอนธรรมะต้องทำสมัยจะต้องพบปะกับท่านปฏิบัติทุกวันได้ข้อมูลจากับผู้ปฏิบัติอามาแสดงมันก็มีเครื่องรับมีข้อมูลก้อนข้อมูลให้โปรแกรม มันก็คิดจะหายช้ำมาเลยแต่อนี้ก็ไม่ได้พบการปฏิบัติทำไม่ได้มันหมดสภาพแต่ก็ไม่เป็นไรปฏิบัติทำแล้วก็ ทันเดวันสติปัญญาเดียวันใเาก็ายกายปรูปเป็นนามนหนเดียวกันมสติม <my God. S 1> <to> ัเดียวกันความสมบูรณ์เดียวกันรที่เกิดขึ้นกับายนนรที่เกิดขึ้นกับ จิตใจก็เหมือนกระโดดที่มันเป็นลูกเป็น้ำตอนมีความกังวลพอพระพุทธเจ้าเขาเห็นตรงนี้ตอนความมาเหลือสงสัยพระพุทธเจ้าเขเห็นตรงนี้ผ่านตรงนี้เปทางผ่านของพระพุทธเจ้าของเหาพราะอรหันต์ไปแล้ว ถ้าเรามีหลงพระพุทธเจ้าพระพันทรงนี้ถ้าลรามีทุกข์วิโกดพระพุทธเจ้าพระพนทรงนี้พระมันทั้งหลายก็ผาดตรงนี้ลอยแหงพระลอยแหงพระสบกผาดถ้วยไปทางนี้กังเห็นเราอยู่ลอยที่พระพุทธเจ้าลอยสอง เราห น, นันเือนลอยศีลลอยสมาธิลอยปัญญาลอยสติเยี่ไปอยน์ในหลงก็มีไม่หลงในทุกก็มีไม่ทุกเป็นลอยอยู่เป็นทางประยุกต์ถูกต้องที่สุดตรงกันข้ามเราไม่จำเป็นต้องเท่ากาง ต้องบอกกันอยู่เสมอคนอื่นบอกอาจจะไม่ยึดซึ่งถอดตัวเองสอนตัวเองความจริงไม่ต้องบอกความหลงก็ไม่ต้องบอกผู้ที่หลงก็ไม่ต้องถาม พบเห็นเราเอด้ดน้ำหก็ดมีความรู้เป็นพ่อปาการไหวอยู่เมีความรู้เป็ น, นกายอยู่เป็นประจพ่อปลาการมีความรูเป็น เบ ท, ที่เป็นศุกร์ทุกข์อยู่เป็นประจำมีความรูปไปในความคิดที่มัคิดอยู่เป็นประจำมีความรูปไปทำอยู่เปประจาเหมือนกับตาขายเหือกับเลด้าตาขายตัวจสอบยูชมเหรอเห็นหมด มาทางไหนเห็นหมดม่สติเป็นพร้อมปากานใช้โดยแบบนรกเรืุ่งเสยหน้าที่การนแม่มีพลังมีกนลังคนเพียงคอก็อจึงเป็นการพึ่งตนเยงได้ ปฏิบัติธรมเนี่ยไม่ใช่ไเรียนนะครับการเรียนภาาสารปฏิบัติธรรม่กได้เรียนไปแบบการแสดงที่นการในมาใการนเวทนาิ บทเรียนตรงนี้ไปได้กลหรือว่าชมนาญในพื้นที่ชมา น, นชมาญใสมองรับภูมิไปได้กลเมืนกันนบที่ชมานาญใสมอรภูมิย่อมมีความย่อมได้ใชชนะแน่ น, นอนไม่เพียงแค่ ก็ทำก็ได้เลยไม่ต้องนั่งเข้าหรื อ, อยืนเข้าเข้ากันดูแลกันบอกได้เยินในวันนี้ไม่ได้เยินตลอดมีสติอย่างนี้ก็มีสติไปตลอดสำหรับเป็นคู่บืนเป็นตัวเฉลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกับนาม แล้วก็มีอันเดียวรูป ก, ก็มีอันเดียวหาูกต์รูปประกอบไปด้วยธาตุสิกดินน้ำลมไฟอันเดียวนามก็ประกอบไปด้วยต้นเิดเวทงงานาไปสั ญ, ญาสังขามรมีญาณเป็นนามเกิดอยู่ที่รูปนี้เป็นธาตุรูป ปัญาณ น, นัทธะทำอะไรก็ได้ทำชั่วได้ก็ดีได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามะข่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเวทนาก็มีี้เป็นเวทนาเป็นสุขเป็น ท, นนปปทุก์เสมเหตสัญญาก็มีการ เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอสังขารต้มีอาการเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอวิญญาณก็มีเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอทางต้นจากเวทนาทั้งต้นกับสัญญาสังขารเพื่อให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเป็นชาติตังมีเคยเจริเจริญอยู่ที่นี่ในเวทนาตัมีการเกิดแเจริญ ในสัญญาต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายในสังขารต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายในวิญญาณก็มีการเกิดแก่เจ็บตายทีเวลาเกิดดับเกิดนับของนับของรูปของขานขามรูปเจอปัญญาตนะตาก็ไปกายเป็นภพเป็นชาติหูวก็ไปกลายเป็นภพเป็นชาติ ความพอใจความไม่พอใจยอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะมีสติเห็นได้รู้จักพื้นที่อะไรที่เป็นเวทนามันก็ไม่เที่ยงต้งที่เราสแาแก่กระสูตรอตากระสุดเรื่องทั้ สัญญาทำไมเที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เทยงสัขารเบทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สวัสดีเราในการเกิดตับในการเกิดตอบอยู่ที่นี่หลายโคตรหลายชาติน เฉนันละ่ะทุกคนเดียวก็เป็นทุกอยู่เสมอไปปวดคนเดียวก็เป็นความดเสมอไปพอใจไม่พอใจเกิดจยูที่นี้เมื่อเกิดแทงตามความจริงไม่สมัครภมไม่สติมีปัญญาเหมือนกับป้องกันหมือกับอาวุธ ในหลงก็มีไม่หลงในสุกในทุกก็มีไม่สุกไม่ทุกอันเดียวคือไม่เป็นเส้นความลู่ตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้มีความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ก็ให้หลงแต่หลงมันไม่จริง ให้ทุกข์เป็นทุก์จริงให้โกรธเป็นกรธไม่จริ ง, ใ ห, ร ใ, หรรงให้เจ็บเป็นเจ็บไม่จริงให้ตายเั็นตายไม่จริงตัวมัเป็นจริงมันมีอยูน่นี่ให้เราได้สัมผัสเปียนอให้ดูเียวกว่าบอกเอาชุดโดยกลังคนที่ไม่สติ คำเดียวคือมวิชามีอวิชาวิชาคือรู้อวิชาคือไม่รู้มันตั้งต้นที่นีันดที่นีันเกิดันดที่นี่ปาอยู่ที่นี จากที่ได้พูดว่าอวิชชาเป็นเหตุได้เกิดสงขารก็ไม่รู้มันจึงมีการปรุงแต่งเป็นศพเป็นทุกข์ถ้ามีวิชาสังขารก็ดับดับไปแต่เพื่อเพือถึงยอดเลยวิงญานดับลาด้วยตอดับพัฒนาดับเป็น้านดับตัหาดับอุปทานดับครบชาติดับเรียกว่า อาการเกิดดับที่หลงปูเทียนพูดชีวิตเราต้องถึงต้องเห็นตรงนี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ไม่ประโยชน์ในการเกิดบ้างเกิดมาเจ็ บ, เ จ, บเจ็บตายไปเฉยโจจะวัคคิตางังคีเว ก, กวุสิโตทีนวทร่โยเอกานังคิตังเฉยโย ดอ ก, กไม้ผู้ใดไม่เห็ น, า น, น, นดากการเกิดดอกของหนามรูปเกิดมาร้อยปีไม่มีประโยชน์ผู้ใดเห็นอาการเกิดดอกของหนามรูปในชีวิตอยู่เพียงมันเดียวประสริฐทัวผู้มีชีวิตร้อยปีเขาเป็นประสร ในความแกก็เป็นความไม่แก่ในควตายก็เป็นความไม่ตายปฏิสเสตรงนี้เรื่องนามว่ลูกในความแกควาแกคนามตา ย, ตายตเป็นลูกเป็นนามลูกนามเปิดจอบเหยปัจจัยทสีอย่างสามอย่าง เราพูดาชาติธรชาติธรรมเฉยชาติโอปะปาติกะลายเป็นภาษาบาลีาไม่รู้จักนะฮะสำคัญอยู่ที่โอปะปาติกะโอปะปาติกะเกิดผุดขึ้น <c oughs> เปในลางเดี๋ยวนี้เกิดผุดขึ้นในนามรูป เกิดเป็นทางความต่ำก็เป็นอบายเป็นไปเป็นชุลกาเป็นสุรุกเป็นนิรานดรได้ตั้งต้นจากรูปนามารูปก็เกิดได้อมปาติกะ <c oughs> เกิดเป็นภาพก็ได้ <c oughs> เกิดเป็นอะไรก็ได้ไม่ทิ้งทราบศพแต่รูปนามเลยทิ้งทราบศพไว้ เ, เก็บรักษาเูาสอก น, นามรูปเนี่ยไม่ได้ทิ้งสาตว์สุไว้แต่ส็มีโทษมากก็นตลาต่อผู้คนต่อสัตว์อื่นวัตถุอื่นปราท้ระเทิอนต่อตัวตัวเราเองผู้อื่นด้วยเช่นเกิดตัวตกเกดิดขึ้นในโอปป้าหรืเกิดขุดขึ้น วันนี้ก็ยังรักกันอยู่วั น, นี้กบฆ่ากันดโอปาติกาเกิดขึ้นอันนี้ไม่ต้องเลี้ยงด้วยนมไม่ต้องเลี้ยงด้วยอาหารเป็นอวิชาป็นอาหารไม่รู้มันยังเป็นเช่นนั่นแล้วก็จุดมันไม่ได้ จนตายหลงจนตายทุกจนตายกจนตายบ่จะวิจิ้งไม่กระเสริฐเลยส่วนผู้ที่รู้เรื่องนี้มีชื Actually, ่อที่เพ <Türkiye. S 1> ียงมาเจอกเสริองโปาติกจุดเลทานนามารูที่เกิดสุกกทุกเกิดโกก็โหลงกิหลบกิดจำไม่ใจเฉยเฉเกิดเดิดตัณาจะเหลือพนาตัณหาว่าเกิดโมปาติกะ เพอภิชาเป็นต้นเหตุที่วัยรุ่นไปล์กัยอันตรายมากในรูปรเพรว้เป็นวัตถุอุปกรณ์ที่เกิดทุกในนามก็เป็นวัตถุอุ ป, ปกรณ์ที่เกิดทุกเรามระสบความทุกข์อย่างเอาแล้วเราเป็นความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วปัญหาต่ดง สมัการทำที่สุดแองทวสนี้จะเึะ็ากดแคบจเราได้ตรงกับคว า, ค า, คามาา ม, าามันมมัจฉันคืออรามจนคือบริสุทธิ์ความมัจฉันไมาแช่ชีวิตไม่ใช่ชี ว, วหนุ่มเรือขกงผม พุทธระมาจย่อมท่องทักษะถ่อมทักษะยั่ชน ะ, ะโบริสุดโบริรบรุญซิ้นเชิงไห้เลเบื้องต้นทำบามที่สุดพระมาจย่อมเกิดหลังอภิพระมาจย่อมเืิดหลัเป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่ทนในรูปรับคือมีสติเห็นเห็น กำลังปาจจุบัเ น, หนเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกกำลังปรจจกบันทุ่นจากความทุกบริสุทธิ์แล้สะอาดแบบปัจจุบันเกิดจากตรงนี้คือตัวปฏิบัติเความโกรธปอจจุบันแล้วมีสติไม่เป็นผูก้โกรธทุ่น แล้วไว้เปิดใเพื่อนแล้วอะไรก็เป็นเช่นนี้ควงเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในหลักอริสต์สเป็นคิดสติที่ที่สําเร็จไม่ต้องเรียนกับใครเรียนจากชีวิตของตอนเองที่จะเรียนอื่นต้องเรียนจากหลักวิชาการศึกษา อันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นศาสตรพุท ธ, ธะความคิธรรมชาตเป็นกัตนาวิบลิสุทธิ์บริวุ่สิ้นเจริญภูมิใจได้เอาได้ทำสิ่งที่มันผิดให้เป็นถูกได้ทำสิ่งนเ่็นทุกข์ให้มันเป็นทุกข์จนที่สุดได้ทำสิ่งที่มันเกิดให้เกิด ทำาิขี่มันเจ็บไม่เจ็บทำสิขี่มันเจ็บไม่เจ็บทำสตที่มันตายไม่ตายผมจอยยก่มไหวตัวเองมาน่าจะหลงมาน่าจะทุกข์มาน่าจะโกรธมาบีคำ ว, ว่าทุกขเด็ดขาดคำ ว, ว่าทุกข์เห็นแล้วไม่บีเสแล้ว ใ่ทุกข์จักทุกข์ทั้งปวงได้ปัจจังสนักระชามีในตัวรู่ตัวเดินที้เป็นธรรมดา น, นี้ไปปฏิบัติจากนี้ข้าพเจ้าจึงค้ น, คนจับทุกข์ทั้งปวงได้อหลักธรรมม า, มาปฏิบัติคือพระธรรมคือมีอยู่ในจิตของเรานี้หลวงโกรธไม่เป็นธรรมหวไม่โกรธเป็นธรรมปฏิบัติธรรมตามข้าเจ้าจึงค้ น, คนจัทุกข์ทั้งปวงได้ วิธีปฏิบัติคือปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออ ก, กับทุกปฏิบัติสมควรเป็นสถาบันเป็นสถาบัน น, บน้มที่ใดไม่ถงเป็นสถาบันทุกที่ใดไม่ทุกเป็นสถาบันพอใจที่ใดไม่ไม่กิด เ, เหนือขวงพอใจ เนื้อความเฉยชาเนือควาสุขเนือควทุกข์ก็หมดเลาเป็นสถาบัตรสัาบัตรเคชีวิตเบบนี้เลี้ยงจบต่อที่วาที่มีรูมีนามเน จ, จบต่อเหมือนพูดถึาวว่าไม่กเลังเปลี่ยแล้วเป็นชาติสุดท้ายแนละ้วไม่กำลัง หลังที่เราสาธิกาสสตรธรรมจักศรัทธาอาการกระดับเหมือนกับว่าตัดผมข้างเดียวคนที่หลวงปู่เทียนพูดตัดผมข้างเดียวไม่งอกอางามหยุดเช่ะน้ำยุดเช่ะน้ำจบลงเช่าน้ำในความหลงโศกคือความไม่หลงในความทุกข์โศกคือความทุกข์ในคนวามโกรธจบไปด้วยความสงบในความแก่ก็จบไปในความแก่ในความเกลียด จบตรงที่ความเจ็บในกองตาจบที่ในในกองตาอสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือภาวะที่เห็นที่ไม่ เ, เก่งในวาสดท้ายไม่ เ, เห็น้นอจะจบลงทุกทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหน็นตอบเพดาะตบที่สนจบที่นันทีวิของขาราจเหมือนกับจบแบบวัสดุท้าวัที่วิตไม่ต้องไปเรียน ไม่ต้องรอดแต่ทนไม่ทอแต่ศึกษาเองอันเดียวเ ท, ะทะ่านั้เหมือนกับหมดทุกชีวิตเหมือนกันหม ด, หมหมดไม่ต่างกันเลยนี่เรกว่าเปนสถาบันที่แน่นอนกของทางโลกทางโลกต้องเวลาวิชาถก็มีคำถาม าามีกาถามให้ไปผู้หมวมาตรวจสอบพระสงฆ์เพื่อเขาเลือกเป็นพระผู้นองจะมีผู้หมวดตามน่ะชำนาญทางใดบ้ากรต้องถ้าเขาถามนี่เราจะตอบเปไน็นไงชำนาญเรทางไหนบวชเมื่อเนี้ย ไม่คิดหน่อยไม่ชีดเช่นนั้นในทางไหน ม, มาเขาหมูนเราก็ออะไรที่เราจะโตเป็นสถาปันของเราอล้วมัดเลือกคิดเป็นอย่างนะที่เป็นผู้นำทางคิดเป็นอย่างไม่ใช่เป็นผู้นำทางชาติการเหมือกับทางโลกมันมีคิดเป็นอย่าง ครอคุมสัโรูมีลูกมีหนามไม่สัญญาล่วงใด้ไม่เหมือนตัาหวดต้าบหาคนหมอจะมาทางไหนทำม า, นานนอย่ามุกตาเป็นลกมเลยว่าไม่หมอจะมาทางมาเลยเลือกมาเล็งเ่านมเหลือง อันนก็ถ้ามีหมอชำนาญในการอันเดียวก็รักษาไม่หายวันนี้ชานาญพลัทางกันเกียวบแค่แล้วต้องเปเรียนชำนาญทางไหนหลายหลายศาสตร์เราจะชำนาญทางไหนตัวต่อไปเราชำนาญกรรมาิธีอะไร อาจจะไม่มีใครตอบนะเราตอบตอนนี้เลยเขียนลงไปเลยชำนานในกรรมระทำเรืกองจิตปัญญาเลยมันควรจะเป็นวิชาเอกเอกเป็นเอกถ้าคนไม่จบตน็นนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่คุ้มค่าชำนาญในกรรกระทำเจงในซึ่งว่าสถาบัน จากจุดก่อนสำม่ถ่อมั่นาาอะไรนะาวบนอะไรเป็นสาวนาไม่เหคาะอะไรที่นี่ไม่มี้แค่นั้น ก, กระด้ดิไม่ได้กติกาทั้งหดแต่จะนอ้อยไม่ชี้ทั้สองไปแคณะัเ้นนเป็นศาสตร์าสร์อะไรสถาบันอะไรค่นั้ค้ือชีวเราสนที่สุดคือเราเนี่ยแล้ ว, วจก สถาบันคิดเป็นอย่างเดล้วไปเถอะจะได้รู้เกี่ยวกังานก็ปเป็นอะไรก็ได้แล้วกันเองเป็นสถาบันตัดหลงก็ไม่หลงเป็นสถาบันถอดทุ ก, ก็ไม่ทุกเป็นสถาบันที่มันดีที่มันเป็นมันเป็นทั้งหลายนะจบความเป็ความไม่เป็นข่านนั้นมีเกิด ต้องไม่ไม่เกิดไม่เจอต้องไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บมีตายก็ต้องไม่ไม่ตายเในสถาบันทั้งหมดจะจบแล้วก็ไม่จบอยู่จบแล้วทีอื่นที่ต้องทํา้องมีแล้วไม่ต้องเจ็บขอมสองตะเกียงเยอะคนต้องรกต่อไปทำมาได้ยิ่งใหญ่แต่ว่าที่ไมป็นอะไรไม่ใช่กูเหนื่อยก็ไม่ใช่กูร้อนก็ไม่ใช่กูทุกข์ก็ไม่ใช่กู ยอดง่ า, งงาไม่ใช่กูผนที่ไม่เป็นไรทา ง, งานเยอะตีข้าวันละมือทางานเลยมากไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบผิดผลที่เกิดจากชีวิตที่ไม่เป็นอะไรก็มอบให้สมบัติของโลกไม่ เ, เหมือนกูผิดผลที่เป็นของกู มันเป็นของส่วนรวมมาได้เป็นของส่วนตัวทำไมคนอื่นเดืดอดล้อนได้เอื้องไทยเราเห็นาหากลายเป็บบ น, นหน้ามีป่าในนามมันไม่้าเขียนนี่ขาดแคนเพราะมันเป็นของปู่ถ้าเป็นของส่วนรวมมาเป็นของลูกลูกก็ร้อนเพิ่มขึ้นแต่นหน้ามันมีป่าในนามันไม่เข้า ตออนสดอยู่ในป่าใช่ไหมพี่ตอนสดอยู่ในป่าอย่นี้จะลาสดอยูที่ไหนัวไรแต่งบันอยู่เลยไม่ตองมันไม่สดในแบงบันเลยแล้วก็ปันไปซื้อเลยต่กอนตลาดสดอยในป่าเนี่ยเช้าแลยเมื่อวานนตาไปอยู่ไม่มาทัก นั่งเดิกเกด่เดเอ้ท่าสองไปส่องไปมาดูเราก็โจรก็ร่ายเดินหนอยหน่อยเราจะนั่งนิ่ๆ ท, ที่แรก็มาเก็บเกไม่ต้องตื่เนเช่าแต่งนั้นก็ได้สมัยก่อนเนาะเขารู้จากพอไปปั๊บเอามาเออดูแลเจมุกเออขอเจรเออแบ่งให้คนน่าเลกคนนี้คนนี้าเจ เดี๋ยวกับคือว่านี้ใส่รถไปข า, ายสัยหหนึ่งไปนอนไปสอนธรรมะอยู่ที่อำเภอเสษตรวิสัยจังหวัษษษษดร้อยเอ็ดการทุ่งนาวัดู่กลางทุ่งนาล้วก็นั่งเ ด, ดี๋ววัดในฤดู ไต่ปกไต่ปกไอเหมือนกับแข่งหอยทหัวทุมาเรียวแต่ไม่ไเลยไสปอร์ตไ้ไปหน้ารถจากสังเกตรจอดจอดอยู่นนนไปนอนนรถรถจอดปจอดชื่อปกนะสังเกตุเลยหน้าไปนไปวที่ใต้กบแ้ก็เดินมาเัืไ่กลับไป คนมากาแฟโอ้ยมาตอนเช้ามันไม่ใช่โอ้คงใช่ยังไงซะเราโดนแง่เป็นแบบมาได้ cục เลยดุมักมันจะเหลือเลยก็ขายแต่เหนี้ไม่มี้กบเส้นเขียดเีแล้วมันไม่เอาบางทีนไปขายสักไหนก็ไปขอเว็บทินมิต หีนเป็นทองคำก็ไม่ขอแต่กูถ้าไม่ไม่เป็นอะไรเลยหมอเพียงขอไปจัดปัญหาเอามาเฉยๆถ้าเราก็่อโอ้ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ไฟไฟไ ฟ, ไฟหน้าไฟที่มันตื่น้ำผาจับสัตว์อได้จับสัตว์ได้ไฟชฉายนี่ก็จับสัตว์ได้นะ เราเดินไปไหนทักซือไปใช้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยแค่สงเทียนนี่ปลอดภัยนะแสงเทียนเดินไปในงูหรือคางยไปขายมันไม่ดีเลยเราดูซิไปขายมันไม่ดีนะมันยึดับตาเ่างที่ไปอยู่จันเนี่ยนั่งรถตค ควงเยอะในสารหนางูตะมารถโดยผ่านหน้าควงควงกำมองเหรอวิ่งมาเสร็จรถกยายามวิ่งหนีคนที่ขับรถให้เราพยายามวิ่งช้าๆไปมันก็ายามวิ่งตามฝ่ายประโยชน์จะเป็นดาวรถพยาธิควงไปมันควงมาวิ่งเป็นดรถเนยไม่ใช่โจรมันเป็นดาวรถก็ล้มหลงลงลอกเพืตายไป กระโดดคิอตัวการชอบเป็นปหมาพวกเราข่มทางตอกแหวนเก็บขวางฝังในป่ามันไม่กินนะจากควา ม, ม, ม, มวววาใ น, นป่าในทางโดดลดหย่อนหนึ่งถ้าจะเอามากิไม่ได้ปิดกหมางถ้าจะฆ่าถ้าจะถ้าจแาแนะต้องขออนุญาตให้หมอมาตรวจเจ้าของแลหมอไม่ต้องมาตรวจ กวามที ừ, no liebe, a, ่ถ so ูกว่าชนมีแต่ฝังยาดยาวมันก็คงท้อนะก็เห็นว่ก็โยกไปห่อจนหยาบตลดาวอันนี้มันความมันเราเห็นหลายครั้งแลวครัจากเยียวยาไปลองมาแรงจะกไปหลอกไปเวลาเดินเปลี่ยนจะได้นหลอกไปวัดทับไหนไม่เจอฝากควา ก็ดเดินตาตั้งเกินเนี่ยมันไม่จะเป็ชมนทน่มันวิ่ต่อัจับมันติดตาสัมันหนีไม่พน้นเพราะนั่นเียนไม่มีอะไยเหลือแต่น้ำก็ไม่มีตาเนื้ํนามไม่มีเท้าหากแคนนอกกร้อนเทาึ้งแต่ก่อไก็ดูผลตรงนี้ อย่าีดเชงอ้งูเียงไ้ะรต่างรอไอ้สัตว แ, แล้วปมปเยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรร้องใ ห, ยกกงง ห, ห, ห้ยิงสัตว์ก็ไม่รอแก๊งซวก็ไม่ร้องกกไม่มีอต่าๆหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนยั อ, อช่อปนูอะไรปา เดีนี้หายหมดเลยลยก็หายสุพาโณก็หายน้มแมงน้าฝนก็หายหิ่งห้อยก็หายแต่ทา้อทู่เราไม่มีสาร พ, พิเใดอยู่ในมากเปนโมกระทภูมิแต่นเราไปนาไปไ้่กบน้ำนอยวัวรายควายดื่มได้ทุกวันนี้ดื่มไม่ได้วิการต่อไล่แต่ก่อนเ น, นี่สัปปะวนเน่ยวัวทะแต่นี่กบวัวปีศาจไม่มีสติปีนี้กบเกิดขึ้นมาหนอย เวลาฝนหม่ผ้าใหม่ลงล่าไม่ได้คันเลยแล้วป็นสาวเที่ยวตัวรอดเอี่ยนที่ทางหน้าใหม่แตวหน้าป่าน้าสวนหน้าไม่บริสให้ออกไม่เข้าจับไหลลงทางกระเทาเลยตามเงาต่างๆห ล, ลอกเพราะปูท่านันเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเป็นประพฤติพอมาจันมันจะเป็นประโยชน์เออพื่อคูณกันจริง ช่วยกัน็นสิงหตลือโน้นก่อนในกามช่วยกันเปิดของตระ ก, กีดเรื่องกฎต้องรอดในคนหลงคนสงสารคนหลงในคนคนที่โกนก็สงสารคนโกรกในคนเที่ยวคนสงสารคนทุบมีสติมีเมตตาคนละออกหน้าออกต่ถ้ามันมีถ้าเป็นพรรมจันทร์แล้วยิ่งใหญ่คือมาหาคุณะที่กุิ่น เหมือนพระพเจ้าในพุทธคันย์ญญาหาพระพระเมตตาพระตัดสู้เกิดขึ้นพระ ต, ตรัดสู้ล้วไม่มตต า, าหรอกหวตาตัดจะดขงจัเลยมีคนทำพรเจ้าเป็นแเมตตาที่คุณเปิดขึ้นมาการดูนาที่คุณคิดจะช่วยเหลือ บอยสุท์ที่คุณเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์คนฟังไม่ว่าค่าตอบแทนทำอะไรพระก่าวบริสุดธิ์ใรอดเป็นปัญญาที่คุณไม่งูทุกบันดิตก็เป็นทุกปัญญาเก็เป็นในปัญญาที่คุณไม่งูคนฟังเอาตัวรอดในบันดิตเขเป็นมิตรเพื่องไม่เนรคุณใพระเจ้าก็ะเถียเยพียวพระอโนล ถามพานอนอาอนนเมือ่อเธอคออยู่ในสำนาพระเสด็จเป็นเช่นใดอุบาสกบิกาหนักแน่นมั่นคงใ น, ในงสิ่งในธรรมพิษุพิสุอุวาสกบาจิกาหนักแน่นแม่นล่องมาด้วยธรรมนจง ก, นกลงนั่งทำสมาทิโมคคะะอยู่ที่ไหนอว่าพุทธบริสัทตหนักแน่นแม่นล่องมาด้วยผู้คนปฏิวัติธรรม กวามเทพควาธรรมปฏิบัติธรรมร่างธรรมสมาธิอนุท่าอยู่ที่ไหนหลักแน่นได้วยคนธรรม อ, อนุท่าเลื่อนทางฌานสมาบัติสอนเขาแลา้วพระพุทเจ้ามาตรถามมาว่าอนุอนนเทวทัศอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเงียบไม่เหยื่อลยไม่มีบอกไม่สอนกันเลไม่ดีดีตัวองสุตัวเรา เราประเสริฐเราดีเรามีลทธิ์ที่ปฏิหารเกิดพระเจ้าพระ้าจะตูนเชื่อแต่พระผูเจ้ามีพระนอนุบาริอุนะพระจะให้ดีหมดโปกลานะอนุธาให้คนอื่นสวนให้พึ่งเขาให้เขาพึ่งเขาเองสวนเต็มทัพสอนให้คนอย่างพึ่งเราไม่ใช่สอนตาสอนตนต้องสอนให้เขาพึ่งเขาได้ เรอยนน้องเองในควหลงคุณก็เปลี่ยนหลงไปหลงเดิในความทุกข์คุก็เปลี่ยนทุกข์ไปทุกข์เดิมจี่ยนกระเถิบตัวเดิเปลี่ยนได้เฉยๆได้หมือว่าความทุกข์บัตรธรมความทุกข์พอมาจังนี่หมายถ้ามีหลงก็อย่าเอาไว้เปลี่ยนไปถ้งมีทุกข์ก็เปลี่ยนไปถ้ามีพอใจก็พยายามเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลนได้ อันน <necessary. S 2> ีจมาส่งขารนาอุปถัมภ์ทํ่ทำอย่ามันไม่เสียอะไรเลยนะวันจิตตวานที่โดนติดมันเวลาเสง็จทำมามันสั่ล้วมันรูป็นมันคือจำไดเลยยิ่งเสียงเอฮะเสียที่มันไปแต่ว่าเสียงม่ค่มันก็พูดกันลงห้องกุมวาทำไงกเราแล้วก็สั่กคนตันเแล้ว สั่งลาเพื่อนไหมเจ็บไปลงแล้วเครบอกว่าอ๋อผมปิดหูผมต่อเครื่องหูออกผมก็ไปเด็นเย็นปิดหูไม่ต้ยังนักงหูผมอ่ะปหตป่าผมโค้ขของออกเสียงมาดีเลยอยู่สบายเอาสีตั้งแต่นี้ไปอันที่ย0สิพฤษภาถึงออกกันสอดีไหมเ <laughs> <c oughs> ดือนห น, นึงก็คง เร า, ราต้องพักผ่อนได้ก็ก็ไม่ได้มีะ อ, อ, อ, ม อ, าายอยะออไรสบาเลยเฮ้ยนอนเกี่ยวก็เห็นแค่าายนี่สบายเนาะมองต้นไม้เดืนตาขึ้นมาตื่นเต้นมองดูต้นไม้ยังไม่ทำงานก็ไมกทเรื่องงนปวดใมองดูอะไรมองมองดูทอะไร แล้วก็โคมใจนะเลยเปิดเพื่อนเปินิดต้นมีสิงที่เราได้ไปออขอตายไหมได้ไน้หปตายอยูห่ปปหิงโคนหมไปับนกถามไปตายที่ไหนก็ได้แล้วแค่นอนอยู่ที่ o บบแล้วแค่นอนอยู่ท่านเคยเงยไหเคยยืเคยรุ้ ก, ก่งแบบนี้เหมือนกัน ให้ขอใช่จิตช่กรรมตายไปยหนไเธให้ต า, า ย, ยนะใช่สองสัาวันใช่จิตที่จะหน่อยมันเปนทีแท่านะั้ต้องกติกาอธิชัยไปนอนต า, ายทีนะ่นหะดับไฟป่าหมดเลี่ยวลเลยวิ่งหนีจากไฟ ป, ป่าเ่าก็สุดตรงสนามล้มที่นั่นไปถ้านอนตายตายอยู่ที่แกล้ใกล้ไฟไฟจะลามมามันจะ ม, มัวไหมเรา ตโมากติกาไม่ใชใก่อไม่มีกติกป่าใกล้ห่วยล้มลงไปตายไปแล ต, ตนขึ้นมาคุยแตไม่คีแนวล้มเห็นหลวงพ่วิ่งมาตางนี้และนักไฟก็วิ่งมาตางนี้แล้วเไปเดป่ายาหาหลววงพ อ, งองตื่นขึ้นมา ข้ามืดแล้วอ๋อมังมแม่มึงไปเดินขี้ฝนไป่า <c oughs> ก่อนเพราะอินใจนี่มันไปสวดมนต์บ้านเข้นบ้านใหม่เจ้าคณะจังหวัดมารออยู่ที่นั่นให้มาเอาหลวงพ่อไปถ้าหลวงพ่อไม่ไปเจ้าก็จะจักวดัดเชียูมจะไม่สวดมนต์เลยเอาไปนี่ได้ถ้งไม่จากกัน มาอาบน้ำไปแข่งที่ยจังหวัดสามทุ่มน้องพ่อเจ้าคุณจเจ้าก็จังหวัดชายภูมนะินั่งรออยู่แล้วก็หมดแรงเลยไว้แรกเดินกนลักบมารถเขาไมเดินเนี่ยวางก้มีด้ยดย่ยรถเขาคปชน